ต่อไปสวดหน้า37มสิบเปฐมพุทธภาสิตาคาถาหันธรรมยังปฐมพุทธภาสิตาคาโยพนามะเซนอะเนกาชาติสังสารัง สันทาวิสังอนิปิสังมเมื่อเรายังไม่พบญาณกายต้ <ใน S 1> อ, งองท่องเที่ยวไปในสงสารเป็อนอเนกชาติถาหา ก, การายข้าเวสัน้นโตดูคาจตาิปุนกปุณังแสวงหาอยู่งุนัยช่่งปลรุ คือการหาผู้สร้างภพการเกิดทุกราวเป็นทุกขรไปข้าหัการกทิทุสีผู้นาเคหังนาการสีนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป สัพพะเทภาสกขาภคาข า, าหากูตังวิสังขะตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รือเสียแล้ววิสังขารักตตังจิตตังตันหานังขยมัจคา จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งใหไ้ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา